อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำบัิสำหรับชีวิตของพวกเราพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเพราะไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับพวกเราได้เท่ากับความสุขใจ ความสุขใจเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความสุขใจเหตุที่ทำให้สุขใจพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคือการทำบุญบุญนี้เป็นเหตุที่จะทำให้ใจมีความสุขนด้จะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุข ทั้งปวงถ้าเราอยากจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่เราก็ต้องมาทำบุญกันบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำก็มีอยู่สิบประการด้วยกันเรียกว่าบุญยะกิริยาวัตถุสิบบุญข้อที่หนึ่งก็คือทานบุญที่เกิดจากการให้ ทานแปลว่าการให้เวลาเราได้ให้สิ่งของให้ประโยชน์ให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราก็จะได้รับความสุขกลับมาบุญข้อที่สองก็คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลละเว้นจากการกระทำบาปเพราะการกระทำบาป จะทาให้ใจเราทุกข์นั่นเองถ้าเราละเว้นจากการกระทําบาปได้ด้วยการรักษาสิลเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจการไม่มีความทุกข์ใจก็เป็นความสุขใจบุญข้อที่สามความสุขใจที่เกิดจากการทําบุญข้อที่สามคือการภาวนา ภาวนาก็คือการทำใจให้สงบและสอนใจให้ฉลาดการทำใจให้สงบเรียกว่าภาวนาส ม, มถภาวนาการทำใจให้ฉลาดเรียกว่าวิปัสนาภาวนาถ้าใจสงบใจก็จะมีความสุข เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วถ้าใจฉลาดมีความรู้ว่าวิธีจะรักษาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็ต้องละความอยากต่างๆเพราะเวลาเกิดความอยากความสงบก็จะหายไปถ้าไม่อยากให้ความสงบที่เกิดจากการ บันเป็นสมถะภาวนาหายไปก็ต้องใช้ปัญญาคือวิปัสสนาคือความรู้ว่าความอยากเป็นเหตุของการนำความทุกข์มาให้ใจและสิ่งที่ใจอยากได้ก็เป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งที่อยากได้นั้นไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันไปเวลาจากกันไปความสุขที่ได้จากสิ่งที่ได้มาก็จะหายไปแล้วความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจก็จะเข้ามาแทนที่นี่คือบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญข้อที่สี่ก็คือ บุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเวลาเราทำบุญเช่นทำทานใส่บาตรถวายสังฆทานเราก็สามารถแบ่งบุญที่เราไ ด, ได้ทำนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วพอเราได้แบ่งบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับไปเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง อันนี้ก็เป็นบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญบุญข้อที่หคือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญคือการมีความชื่นชมยินดีกับการทำบุญของผู้อื่นเวลาเห็นผู้อื่นทำบุญก็สาธุอนุโมทนา มันก็จะทำให้เรามีความสุขไปกับการทำบุญของผู้อื่นไม่ควรไปขัดขวางไม่ควรไปห้ามการทำบุญของผู้อื่นเพราะว่าจะทำให้เราไม่สบายใจเวลาเราเห็นผู้อื่นเขาทาบุญแล้วเราไม่อยากให้เขาทำบุญแทนที่จะมีความสุขใจร่วมไปกับการทำบุญของเขาเรากลับมา ทุกใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นเวลาเราเห็นใครเ็าทำบุญหรือใครมาบอกว่าเขาจะไปทาบุญหรือได้ไปทำบุญแล้วเราก็ควรที่จะชื่นชมยินดีเพราะเขามีความสุขการทำบุญนี้ทําให้เขามีความสุขเราก็ควรที่จะยินดีกับความสุขของผู้อื่นแล้วจะทําให้เรามีความสุข ไปกับเขาด้วยบุญข้อต่อมาบุญข้อที่หกก็คือการรับช่วยหรือช่วยเหลือผู้อื่นการที่เราเห็นผู้อื่นเขาเดือดร้อนทุกข์ยากลำบากแล้วเราไปช่วยเหลือเขาช่วยแบ่งปันความทุกข์ยากลำบากลดความทุกข์ยากลำบากของเขาให้น้อยลงไปหรือหายไปได้ ก็จะทำให้เรามีความสุขใจขึ้นมาออบุญข้อที่เจ็ดคือบุญที่เกิดจากการออมีความเห็นที่ถูกต้อง อ, อ่เดี๋ยวก่อนบุญข้อที่เจ็ดคือบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนออการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะทำให้เรามีความสุข เวลาเราอยู่กับใครพบปะกับใครจะไม่มีใครรังเกียจมีแต่คนชื่นชมรักเราชอบเราเพราะโดยธรรมชาติคนเราไม่ชอบคนที่อวดเก่งอวดดีอวดรู้จะชอบคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองถ้าเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาเราอยู่กับใครพบกับใคร เราจะมีความสุขเพราะเขาจะยินดีต้อนรับเรายินดีที่จะให้เราอยู่กับเขาบุญข้อที่แปดก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับความสุขใจนี่เองและการที่จะมีความสุขใจได้ก็ต้อง มีการทำบุญถ้าเรารู้ว่าความสุขใจนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและการทำบุญนี้จะทำให้เรามีความสุขใจอันนี้ก็เรียกว่าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเพราะจะทำให้ชีวิตของเรานี้เดินไปในทางที่ถูกต้องเดินไปในทางที่มีแต่ความสุขความเจริญถ้าเราไม่มีความเห็นที่ถูกต้อง เราก็ต้องไปทำบุญข้อที่เกบุญข้อที่เกคือบุญที่เกิดจากการได้ฟังเทศฟังธรรมเพราะเวลาเราฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้ฟังความเห็นที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าได้ท่งค้นพบพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบว่าใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลก ใจนี้เป็นผู้ที่ให้ความสุขกับเราเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและสิ่งที่จะทำให้ใจนี้เกิดความสุขขึ้นมาก็คือการทาบุญสิบประการนี้พอเราได้ฟังเทศฟังธรรม้วเราก็จะได้มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องมีความรู้ที่ถูกต้อง เราก็สามารถทำบุญข้อที่สิบได้ก็คือการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นให้ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้อื่นเวลาเรามีใครเขาอยากจะรู้ว่าจะทำอย่างไรทำให้เขามีความสุขเราก็จะได้สอนเขาได้บอกเขาได้ว่าความสุขใจนี้เป็นความสุขที่ดีที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุด แล้ถ้าอยากไม่มีความสุขใจก็ให้ทำบุญสิบประการนี้นี่คือบุญที่จะทำให้พวกเราทุกคนมีความสุขได้มีความสุขไม่ใช่ต้องมีเงินทองไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตลาบยศสรรเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้พระพุทธเจ้ากลับเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ เพราะมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีวันเสื่อมได้มีวันหมดได้แต่ความสุขที่ได้จากการทำบุญนี้จะอยู่กับใจจะเป็นของใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดจะไม่มีวันจากใจไปเพราะถ้าเราทำได้แล้วเราก็สามารถทำไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรที่จะมา ห้ามมาขัดมาขวางในการสร้างความสุขใจด้วยการทำบุญสิบประการนี้ดังนั้นเราจึงควรมาศึกษาวิธีสร้างบุญสิบประการนี้เช่นหนึ่งการทำทานเรียกว่าทำอย่างไรถึงเรียกว่าทำทานทำทานก็คือการให้สิ่งที่เรามีอยู่ ไม่จําเป็นจะต้องไปหาสิ่งที่เราไม่มีเพื่อเอามาให้อันนี้ไม่ใช่เป็นการทําทานทําทานนี้หมายถึงให้เราทําำในสิ่งที่เรามีเหลือมีเกินมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องมีก็ได้ เ, เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้ให้เอาสิ่งเหล่านี้ไปทําบุญทําทาน เราจะได้ไม่มีอะไรต้องมาคอยดูแลรักษามากจนเกินไปการมีอะไรมากๆแทนที่จะมีความสุขกับทำให้เราไม่มีความสุขเพราะเราจะต้องมาคอยกังวลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งของต่างๆถ้าเราให้ให้ผู้อื่นเขาไปแล้วเขาได้รับประโยชน์มันก็ดีกว่าเป็นการได้ประโยชน์สองต่อ ผู้รับก็ได้ประโยชน์ผู้ให้ก็ได้ประโยชน์เพราะไม่ต้องมาคอยกังวลกับของที่ให้ไปไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาแล้วก็ทำให้ใจมีความสุขเพราะเป็นการทำบุญบุญ<ม>สิ่งที่เราสามารถจะให้ได้ก็มีอยู่สามอย่างด้วยกันคือหนึ่งข้าวของเงินทองเรียกว่าวัตถุทาน ถ้าเรามีข้าวของเงินทองที่เราไม่ได้ใช้ที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เราก็เอาไปบริจาคทำบุญทำทานให้แก่ผู้ที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนกว่าเราเช่นมีเสื้อผ้ามากเกินไปเต็มตู้ล้นตู้ไม่รู้ว่าจะไปเก็บไว้ที่ไหนถ้าไปซื้อตู้มาก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกแล้วเดี๋ยวพอมีตู้เก็บเดี๋ยวก็อยากจะซื้ออีก ก็ซื้อไปโดยที่ไม่ได้ทําให้เกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวได้ตอนที่ซื้อมาแต่พอหลังจากซื้อมาแล้วมันก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปซื้อเอาของที่มันล้นตู้นี้เอาไปให้คนที่เขาไม่มีคนที่เขาขาดแคลนคนยากจนคนที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่เอาไปบริจาค อย่างนี้เรียกว่าวัตถุทานจะเป็นข้าวของก็ได้เป็นเงินทองก็ได้เงินทองที่เราใส่บาทเงินทองที่เราเบริจาคให้เป็นค่าน้ําค่าไฟเงินทองที่เราให้ขอทานให้ญาติสนิทมิตรสหายให้บิดามารดาอันนี้ถือว่าเป็นการทําทานทั้งนั้นเป็นการทําบุญการทําบุญนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องทํากับพระแต่ เป็นประเพณีธรรมเนียมนิยมที่จะใช้คำว่าบุญเวลาให้ของกับพระเราเรียกว่าทำบุญแต่เวลาเราให้ของผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นพระเราเรียกว่าทำทานแต่ความจริงมันเป็นการทำบุญมันเป็นการทำทานทานแปลว่าให้เป็นการให้เราให้ของขายก็ถือว่าเราได้ทำทานไม่ว่าจะทำกับพระหรือทากับผู้ไม่ใช่เป็นพระ ก็เรียกว่าเป็นการทำทานแล้วผลที่เกิดจากการทำทานคือความสุขใจนี้ก็เรียกว่าบุญนี่เองดังนั้นการทำบุญทำทานนี้มีความหมายอันเดียวกันทานคือแปลว่าการให้เป็นเหตุส่วนบุญคือเป็นผลคือความสุขใจเราจะให้กับใครเราก็ได้ความสุขใจเหมือนกัน ให้กับพระเราก็ได้ความสุขใจให้กับผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระเช่นญาติพี่น้องบิดามารดาบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเช่นขอทานให้เราก็ได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจเหมือนกันหรือแม้แต่ให้สัตว์เดรัจฉานเราก็ได้ความสุขใจเหมือนกันเช่น เห็นหมาจรจัดไม่มีข้าวกินเราก็หาข้าวให้มันกินอย่างนี้เราก็ได้ความสุขใจเราได้ให้ข้าวแก่สุนัรไปคําว่าทานนี้แปลว่าการให้ให้ในสิ่งที่เรามีถ้าเราไม่มีไม่จําเป็นที่จะต้องไปหามาให้อันนี้ไม่ใช่เป็นการให้เป็นการสร้างความ สร้างกิเลสขึ้นมาด้วยความอยากอยากจะให้เมื่อไม่มีจะให้ก็จะไปหาเงินหาทองจากคนนั้นคนนี้ไปขอเงินคนนั้นคนนี้มาทําบุญทาทานอย่างนี้ไม่ไม่ใช่เป็นการทําบุญทาทานเพราะเป็นการสร้างกิเลสสร้างความโลภสร้างความอยากที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจพอเวลาเราไปขอเงินใครแล้วเกิด ถ้าเขาไม่ให้เราเราก็จะเสียใจหรือเราก็จะโกรธคนที่เราไปขอเงินได้ดังนั้นถ้าเราไม่มีให้ก็ไม่ต้องให้ทำบุญอย่างอื่นได้หรือให้อย่างอื่นที่เรายังมีที่จะให้ได้สิ่งที่เรายังจะให้ได้ก็มีอีกสองอย่างถ้าเรายังถ้าเรามีอย่างที่สองที่เราให้ได้ก็คือความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาเช่นถ้าเรา มีความรู้เรียนจบปริญญาเราก็มีความรู้ในวิชาต่างๆวิชาภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ถ้าเราอยากจะทําทานเราก็ทําได้ด้วยการให้ความรู้เหล่านี้แก่นักเรียนที่ต้องการความรู้เช่นสอนพิเศษให้กับนักเรียนที่ต้องการเสริมความรู้ เรียที่โรงเรียนอาจจะไม่เข้าใจก็อยากจะมาเรียนเพิ่มเติมถ้าเรามีเวลาว่างเราก็สอนเด็กเหล่านี้ได้โดยที่ไม่คิดเงินทองไม่คิดค่าใช้ใจ่ายให้ความรู้ฟรีๆอันนี้เราเรียกว่าวิทยาทานการให้การให้ความรู้แก่ผู้อื่นเราถ้าเราไม่มีเงินแต่เรามีความรู้และเรามีเวลาว่าง เราก็จ ะ, ะให้เราก็สามารถทําทานได้ทานชนิดนี้เรียกว่าวิทยาทานแล้วสิ่งที่เราจะให้ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือธรรม ะ, ะถ้าเรามีธรรมะเช่นเราไปวัดบ่อยๆเราได้รับหนังสือจากทางวัดไปอ่านอ่านแล้วเราเห็นว่ามีคุณมีประโยชน์อ่านแล้วทําให้เรามีความสุขใจ สามารถทำให้เราลดความทุกข์ใจลดความกังวลใจต่างๆได้ถ้าเรามีคนที่เขาทุกข์ใจไม่สบายใจเราจะแบ่งหนังสือธรรมะเหล่านี้ให้กับเขาไปก็ได้การให้หนังสือธรรมะแก่ผู้อื่นก็เป็นการให้ธรรมะเรียกว่าธรรมทานก็เป็นการทาบุญทาทานอย่างหนึง่ง ก็จะทำให้ผู้ที่เข้าได้รับธรรมะนั้นบรรเทาความทุกข์ใจความเดือดเนื้อร้อนใจลงไปได้หรือถ้าเราไม่มีหนังสือแต่เรามีความรู้เพราะว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำบุญทำทานเราได้รักษาศีลเราได้ภาวนาและเราเห็นผลที่เกิดจากการทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนา ว่าทำให้ใจเรามีความสุขบรรเทาความทุกข์ใจได้เราก็สามารถเอาไปสอนไปบอกผู้ที่เขามีทุกข์ใจได้แต่การจะสอนต้องรอให้เขามาถามเราก่อนมาขอความช่วยเหลือจากเราก่อนถ้าเขาไม่มาขอก็ไม่ควรที่จะไปสอนเขาเพราะเขาอาจจะไม่ยินดีที่จะฟังก็ได้ ดังการจะสอนธรรมะหรือการจะให้อะไรกับใครเราก็ต้องดูว่าผู้รับเขาพร้อมที่จะรับสิ่งที่เราให้เขาหรือไม่ถ้าเขาไม่พร้อมหรือเขาไม่เอาเขาไม่ต้องการก็อย่าให้เขาดีกว่าเพราะจะเสียของเปล่าๆเช่นหนังสือธรรมะดีๆที่เราเห็นว่าดีแต่คนอื่นถ้าก็ไม่สนใจก็ไม่ต้องเอาไปให้เขาไว้ให้เขาสนใจก่อนให้เขาถามถึงก่อน แล้วเราก็ให้เขาจะดีกว่าเพราะถ้าเราให้เขาตอนที่เขาไม่ยินดีเขาก็จะเอาไปวางไว้เฉยๆเขาจะไม่เอาไปอ่านไปศึกษาเขาจะไม่ได้ประโยชน์อะไรและการให้ของเราก็ไม่เป็นประโยชน์ควรจะรู้จักให้ไม่ว่าจะให้อะไรก็ตามให้เงินให้ทองให้ข้าวให้ของให้วิชาความรู้ให้ธรรมะก็ต้องดูผู้รับว่า เขาสมควรที่จะรับอย่างไรควรจะรับมากรับน้อยอย่างไรถ้าให้โดยที่ไม่ได้ใช้เหตุใช้ผลนีประโยชน์าก็ก้าจะไม่เกิดและแทนที่จะเกิดประโยชน์ก็อาจจะเกิดโทษก็ได้ดังนั้นการให้ก็ต้องใช้เหตุใช้ผลใช้ความรอบครอบใช้สติใช้ปัญญาถึงจะเกิดประโยชน์ถึงแม้ว่าการให้ของเรา จะเกิดความสุขกับใจเราก็ตามแต่ถ้าเรามารู้ทีหลังว่าเราให้เขาแล้วไปเกิดเป็นโทษกับเขาเราก็อาจจะเกิดความเสียใจขึ้นมาได้นี่คือเรื่องของทานมีสามชนิดด้วยกันมีวัตถุทานมีวิทยาทานและมีธรรมทานมีทานอีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นทานหรือเปล่า แต่ก็จะขอลองพูดดูก็คืออภัยทานคือการให้อภัยเวลาผู้ที่ใครเข้ามาทำให้เราเสียหายทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราเสียใจแล้วเราให้อภัยเขาไม่ถือโทษโกรธเคืองเขาความทุกข์ใจของเราก็จะหายไปความสบายใจก็จะกลับมา แต่ถ้าเราไม่ให้อภัยเรามีความโกรธเกลียดเครียดแทนอาฆาตพยาบาทขึ้นมาเราก็อาจจะไปทำร้ายเขาเมื่อไปทำร้ายเขาแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องเกิดราวตามมาเราทำร้ายเขาเขาก็จะกลับมาทำร้ายเราเราไปทุบตีเขาเขาก็จะมาทุบตีเราเขามาทุบตีเราเราก็จะไปฆ่าเขาอย่างนี้ก็จะเกิดปัญหาตามมา เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจตามมาแต่ถ้าเราให้อภัยได้ถือว่ามันเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วมันเกิดแล้วเขาพูดหรือทําอะไรก็พูดไปแล้วทําไปแล้วอความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วลถ้าเรายุติไว้ตรงนั้นด้วยการให้อภัยเรื่องมันก็จะจบแต่ถ้าเราไม่ยุติเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องบานปลายขึ้นมา แล้วใจเราจะไม่มีความสุขถ้าเราให้อภัยได้ใจเราก็จะสงบใจเราก็จะหายทุกข์ใจเราก็จะสบายอันนี้ก็เป็นการให้อีกอย่างหนึ่งคือการให้อภัยไม่ถือโทษโกลดเคืองกันอาจจะคิดว่าเป็นการใช้หนี้เก่าไปก็ได้เราคงไปพูดหรือไปทำอะไรไม่ดีกับเขาเขาเลย ต้องกลับมาพูดหรือมาทําอะไรไม่ดีกับเราเมื่อเขามาทําก็ถือว่าเป็นการใช้นี่กันไปใช้กรรมกันไปอย่าไปก่อหนี้ก่อกรรำใหม่ด้วยการไปพูดหรือไปทําอะไรที่ทําให้เขาไม่พอใจขึ้นมาอีกเนี่ย น, นี่ก็คือวิธีทําบุญข้อที่หนึง่งก็คือการทําทาน แต่ข้อสำคัญถ้าเราไม่มีเงินมีทองก็ไม่ต้องกังวลมีบุญอีกต้องก้าอย่างที่เราสามารถทำได้และดีกว่าบุญที่เราได้จากการทำทาน<ม>แต่ถ้าเรามีก็ทำถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำ<ม>ถ้าเรามีแล้วมีผู้ที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจากข้าวของเงินทองของเราเราก็ทำไปแล้วเราก็จะได้ความสุขใจขึ้นมา ขุนข้อที่สองที่เราควรจะหัดทํำกันก็คือการรักษาศีลคือการละเว้นจากการกระทําบาปต่างๆซึ่งศีลนี้ก็มีหลายระดับหลายข้อด้วยกันศีลเบื้องต้นกม็มก็คือศีลห้าคือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเดิมโุรายาเมาการฆ่าสัตว์นี้ไม่ดี เพราะว่าทุกคนรักชีวิตของตนเองไม่มีใครอยากจะให้ผู้อื่นมาทำลายชีวิตของตนเพราะจะเป็นการสร้างความทุกข์อย่างใหญ่หลวงให้แก่ผู้ที่ต้องเสียชีวิตไปถ้าเราไม่อยากจะ เ, เราต้องเห็นคุณค่าของชีวิตด้วยการคิดว่าชีวิตเขาชีวิตเรานี่เหมือนกันทุกคนมีความรักชีวิตของตนเท่าๆกันไม่ว่าจะเป็น สัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นคนใหญ่คนเล็กคนโตร่างกายขนาดของร่างกายนี้ไม่สำคัญเพราะใจของคนหรือสัตว์ทุกคนนี้เหมือนกันไม่มีขนาดมีความรักตัวกลัวตายเท่ากันไม่มีใครอยากจะถูกทาลายทาลายไม่มีใครอยากจะถูกทาลายดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะ ให้คนอื่นเข้ามาทำร้ายเราเราก็อย่าไปทำร้ายผู้อื่นเพราะเพราะมันเป็นกรรมทำแล้วเดี๋ยวจะต้องมีผลกลับมาหาเราพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทำกรรมอันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราฆ่าเขาแล้วต่อไปเราก็อาจจะถูกเขาจับไปลงโทษไปประหารชีวิตได้ ถ้าเราไม่ฆ่าก็จะไม่มีใครเข้ามาจับเราไปลงโทษไปปรานชีวิตเนี่ยมีคือข้อที่หนึ่งการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายชีวิตของผู้อื่นข้อที่สองก็คือการไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นพอทรัพย์ของผู้อื่นกันก็มีผู้อื่นเขาก็รักเขาก็ห่วงเหมือนกับทรัพย์ของเราเราก็รักเราก็ห่วงเราก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาเอาไป ถ้าจะเอาทรัพย์ของผู้อื่นก็ต้องได้รับความอาการอนุญาตจากเจ้าของก่อนถ้าเราอยากได้อะไรก็ขออนุญาตจากเจ้าของก็ก่อนว่าขอเงินหน่อยถ้าเขาสงสารเ้าอาจจะให้เราก็ได้ถ้าเราได้ทรัพย์แบบนี้ก็จะไม่มีโทษตามมาแต่ถ้าเราไปขโมยเงินของเขาถ้าเขารู้เขาก็อาจจะไปแจ้งความหรือไปขอ ให้เราเอาเงินที่เราเอาไปนี้ไปคืนเขาถ้าเราไม่คืนเขาเขาก็อาจจะต้องไปแจ้งความแล้วเขาก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องมาจับเราไปลงโทษไปขึ้นศาลไปตัดสินคดีถ้าเราผิดก็จะอาจจะต้องอติดคุกติดตารางนี่ก็คือการกระทำบาป ที่เราไม่ควรทำเพราะไม่ได้ทำให้เรามีความสุขจะมีแต่ทำให้เรามีความทุกข์ความสุขที่ได้จากการขโมยของนี้เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวการเป็นความสุขตอนต้นพอถูกจับไปลงโทษความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็จะตามมาข้อที่สามก็คือการไม่ประพฤติผิดปะเวณีก็คือถ้าเราอยากจะร่วมหลับนอน เราต้องร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราสามีภรรยาเท่านั้นไม่ควรที่จะไปหลับนอนกับสามีภรรยาของผู้อื่นเพราะจะทำให้สามีหรือภรรยาของผู้อื่นเขาต้องเสียใจเขาต้องเดือดร้อนไปทำลายความสุขไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแล้วเดี๋ยวมันก็อาจจะกลับมาหาเราต่อไปถ้าเรามีสามีมีภรรยา ก็อาจจะมีคนอื่นมาร่วมหลับนอนกับสามีหรือภรรยาของเราก็ได้ <Yeah. S 1> อย่าไปทำบาปแบบนี้ข้อที่สามไม่อย่าประพฤติผิดประเวณีข้อที่สี่ก็อย่าไปพูดปดโกหกหลอกลวง uh huh. เพราะการพูดโกหกหลอกลวงนี้จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่มีเครดิตต่อ uh huh. ไปถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนชอบโกหก uh huh. เราพูดอะไรก็จะไม่มีใครเชื่อ uh huh. เราจะไปทำการค้าขายกับใครก็จะทำไม่ได้เพราะการค้าขายส่วนหนึ่งก็ต้องมีการพูดจากันมีการตกลงกันทำสัญญากันแต่ถ้าเราเป็นคนที่โกหกหลอกลวงก็จะไม่มีใครเขาจะม า, าทำสัญญากับเราทำธุรกิจกับเราเราก็จะลำบากทำมากินยากลำบาก ข้อที่ห้าก็คือการดื่มสุรายาเมาการดื่มสุรายาเมาก็จะทําให้เกิดอาการมึนเมาขึ้นมาพอมีอาการมึนเมาก็จะไม่สามารถควบคุมสติได้จะไม่มีสติที่จะคอยควบคุมการพูดการกระทําได้พอคิดจะจะทำอะไรก็อาจจะทําไปเลยพอคิดจะพูดอะไรก็พูดไปเลย โดยที่ไม่ได้กั่นกรองก่อนว่าควรพูดหรือไม่พูดควรกระทำหรือไม่กระทำถ้าตามปกติแล้วถ้ามีสติเราจะเราจะค่ายควรก่อนเวลาเราคิดจะทำอะไรจะพูดอะไรเราจะต้องคิดก่อนว่าทำไปแล้วจะเกิดอะไรตามมาจะเกิดโทษหรือเกิดประโยชน์ตามมาถ้าเกิดโทษเราก็จะไม่ทำถ้าเกิดประโยชน์เราถึงจะทำถึงจะพูด แต่ถ้าเดิมโซลาแล้วมันจะไม่มีสิ่งที่จะมายับยั้งชั่งใจพอคิดอยากจะทำอะไรก็ทำถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นว่าคนที่เดิมโสลาแล้ววาจานี้จะไม่สวยงามพูดจาแบบเละเทอะพูดจาแบบลวนลานผูอพูดจาหยาบคายหรือถ้าไม่เชนั้นก็มีการกระทาที่เสียหายเสียหายแก่ทรัพย์สิน เสียหายต่อร่างกายของผู้อื่นนี่เป็นเหตุของของการดื่มสุราทําให้ไปทําบาปต่างๆได้ง่ายขึ้นถ้าไม่ได้ดื่มสุราก็จะทำให้การจะไปทําบาปนี้ยากขึ้นนี่คือการมีศีลเรียกว่าศีลห้าเป็นศีลขั้นต้นแต่นอกจากศีลห้าแล้วยังมีศีลแปด มีศีลส0มีศีลส2 7ีสิ 10, ส, สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะควบคุมการกระทาให้เรียบร้อยมากขึ้นสวยงามมากขึ้นการมีศีลนี้เป็นการเสริมสร้างความสวยงามให้แก่เราให้แก่ตัวเราผู้ที่มีศีลมากก็จะมีความเรียบร้อยมีความสวยงามมากขึ้นเพราะการพูดการกระทาต่างๆจะไม่ไปสร้างความเสียหาย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นคนผู้มีศีลจึงเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือน่าคบค้าสมาคมผู้ที่ไม่มีศีล น, นี้จะเป็นผู้ที่ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมหรือนับนับถือเพราะว่าเป็นผู้ที่มีแต่กระทําที่เกิดโทษเกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั่นเองถ้าจะเปรียบเทียบ ผู้ที่ไม่มีศีลห้านี้ก็เป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานนี่เองสัตว์เดรัจฉานนี่เขาไม่มีศีลห้าสัตว์นี้เวลาเขาอยากจะกินอะไรเขาก็กัดกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยไว้เป็นอาหารหรือถ้ามีอาหารใครวางไว้ก็อาจจะขโมยไปฆ่าไป mm hmm. เช่นแมวชอบฆ่า ป, ปาลาเผอวางปลาไว้เดี๋ยวแมวมันเห็นเข้ามันก็ฆ่าปลาไปกินเพรา เดรัจฉานเขาไม่มีสติปัญญา<น>เท่ามนุษนั่นเองเนี่ยความแตกต่างของเดรัจฉานของมนุษย์ก็คือการมีสติปัญญาที่จะรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณหรือไม่<น>เป็นมนุษย์นี้เรามีสติปัญญาที่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษแต่สำหรับสัตว์เดราาัจฉานนี่เขาไม่มีสติปัญญา แต่ถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วเราไม่ใช้สติปัญญาแล้วเราไปทำแบบเดรัจฉานเราก็ไม่ต่างจากเดรัจฉานถ้าเราทำบาปข้อใดข้อหนึ่งนี้ก็ถือว่าเรานี่กำลังไปเป็นเดรัจฉานเราเราไม่ได้เป็นมนุษย์ถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์เราก็ต้องรู้จักรักษาศีลรู้จักการละเว้นการกระทำบาป นี่คือเรื่องของการรักษาศีลแล้วอันนี้สงของศีลนี่ก็มีหลายอย่างด้วยกันคือหนึ่งถ้าเราไม่ไปทำร้ายผู้อื่นก็จะไม่มีใครมาทำร้ายเราถ้าเราไม่ไปรักทรัพย์ของผู้อื่นก็จะไม่มีใครมารักทรัพย์ของเราไปนี่คือกฎแห่งกรรมทากรรมอันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแล้วถ้าเราตายไป ถ้าเรารักษาศีนหน้าได้เราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้เราก็ยังไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานแต่ถ้าเราไม่สามารถรักษาศีนหน้าได้เวลาตายไปเราก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะใจของเรานี้ได้กลายเป็นเดรัจฉานไปแล้วด้วยการกระทำบาปของเรานั่นเองนี่ก็คือเรื่องของการรักษาศีลเราเริ่มต้นที่ศีนหน้าก่อน เพราะว่ายัางมีศีลที่สูงกว่าศีลห้าที่เราต้องพัฒนาขึ้นไปถ้าเราอยากจะสร้างความสุขใจให้มีมากขึ้นยิ่งรักษาศีลได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีความสุขใจเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นพราะจะลดการกระทาที่ทำให้ใจเราไม่สุขนั่นเองทำให้ใจเราวุ่นวายเช่นจากการรักษาศีลห้าเราก็เพิ่มเป็นการรักษาศีลแปด การรักษาศีลแปก็จะทําให้เราต้องงดการกระทําเพิ่มขึ้นอีกสามข้อหรือสี่ข้ อ, อข้อที่สจากการไม่ประพฤติผิดประเวณีก็จะมาถือการไม่ประพฤติไม่ไม่มีการร่วมเพศกันให้ละเว้นจากการร่วมเพศกันเรียกว่าอบ布拉 ม, มาจาริยาเวรมณีการไม่ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นการไม่ร่วมหลับนอนดีกว่าการหลับนอนอย่างไร S <S <an> ก็เพราะว่าเวลาถ้าเราหลับนอนเราก็จะติดเราก็อยากจะมีคนมาร่วมหลับนอนกับเราแล้วถ้าต่อไปเกิดไม่มีใครมาร่วมหลับนอนกับเราเราก็จะเหงาเราก็จะว้าเหวเราก็จ ะ, ะไม่มีความสุขแต่ถ้าเราหัดหลับนอนคนเดียวได้ไม่ต้องมไม่ต้องร่วมหลับนอนกับผู้อื่นเราก็จะไม่ต้องมาเดือดร้อน ไม่ต้องมามีความรู้สึกเหงาว้าเวเวลาที่เราไม่มีคู่นอนไม่มีเพื่อนนอนด้วยการละเว้นแบบนี้กับดีกว่าการไปทำเพราะการกระทำนี้มันจะต้องมีวันหนึ่งวันใดที่เราจะไม่มีคู่ครองไม่มีผู้ที่จะมาร่วมหลับนอนกับเราพอไม่มีผู้มาล่วมหลับนอนกับเราถ้าเราเคยร่วมหลับนอนเราก็จะรู้สึกเหงารู้สึกว้าเวไม่มีความสุข แต่ถ้าเราหัดนอนคนเดียวไม่ต้องมีคู่นอนเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไม่มีคู่คู่มานอนกับเราอันนี้ก็คือยกตัวอย่างว่าทำไมเราึงไม่ควรจะทํากิจกรรมที่ศีลแปดห้ามเพราะจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงนั่นเองไม่ร่วมรับนอนกับผู้อื่น ไม่รับประทานอาหารเย็นไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าเราเคยรับประทานอาหารอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนเวลาใดที่เราเกิดรับประทานอาหารไม่ได้หรือไม่มีอาหารให้เรารับประทานเราก็จะรู้สึกเดือดร้อนรู้สึกไม่สบายใจไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามาหัดหัดรับประทานอาหาร เพียงเที่ยงวันไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วต่อไปเวลาที่เราไม่มีอาหารรับประทานเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้จักวิธียักยั้งห้ามใจของเราไม่ให้ไปอยากรับประทานอาหารอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการถือศีลข้อที่หคือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ข้อที่เจ็ดก็คือการละเว้นจากการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปดูมหัรศพละเว้นจากการเสริมสวยความงามทางร่างกายด้วยเสื้อผ้าอา่อนที่สวยงามด้วยเครื่องสำอางด้วยการทำเเผาทำผมด้วยการใช้น้ำมันน้ำหอมอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นความสุขชั่วคราว แล้วถ้าเกิดวันไหนเราไม่สามารถทําได้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรามาหัดยุติการหาความสุขแบบนี้เราทําไปต่อไปเราไม่ต้องไปเที่ยวเราก็มีความสุขได้อยู่บ้านเฉยๆอยู่วัดเราก็อยู่ได้แต่ถ้าเรายังต้องหาความสุขจากการไปเที่ยวไปดูมหหรสบบันเทิงต่างๆ ต้องเสริมความงามด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวถ้าต่อไปเราไม่สามารถทำได้เราก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเรามาหัดทําใจงดการทํากิจกรรมเหล่านี้ได้ต่อไปเวเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการที่เราไม่สามารถที่จะไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรได้ ไม่สามารถแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามให้กับร่างกายได้เราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรนี่คือประโยชน์ที่จะเกิดจากการที่เรารักษาศีลเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนอกจากศีลแปดแล้วก็มีศีลสิบศีลสิบแล้วก็มีศีลสองร้อยสิบเจ็ดศีลของพระภิกษุเป็นข้อห้ามต่างๆเพื่อที่จะได้ ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทําต่างๆที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่เกิดโทษแก่จิตใจทำให้ใจวุ่นวายไปเปล่าๆถ้าเลิกทำการกระทําต่างๆเหล่านี้ได้ใจก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นแล้วใจก็จะมีเวลาที่จะได้มาทำบุญข้อที่สามที่สำคัญก็คือการภาวนา เพราะการภาวานานี้จะทำให้ใจได้พบกับความสุขเต็มที่เต็มร้อยเปเซนใจจะมีความสุขได้เต็มร้อยนี้ใจจะต้องสงบต้องนิ่งการที่จะทำใจให้สงบให้นิ่งนี้ต้องเจริญสมถะภาวานาสมถะภาวานาก็คือการทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบนี้เราจะต้องมีสิ่งที่หยุดใจ หยุดความคิดถ้าเราไม่สามารถหยุดความคิดได้ใจของเราก็จะไม่สงบถ้าเราอยากจะให้ใจสงบเราต้องหยุดความคิดและสิ่งที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสติถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้ก็สแสดงว่าเราไม่มีสติถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องมาสร้างสติกันวิธีสร้างสติก็คือให้เราคิดอยู่กับ เรืใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นให้คิดอยู่กับคำชื่อของพระพุทธเจ้าเช่นคำว่าพุทโธพุทโธให้เราหมั่นเราลึกถึงพุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยคิดแล้วคิดเพอ้อเจ้อคิดเพอ้อฝันคิดแล้วจะทำให้ใจเราเออไม่สบายใจทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมา ทำให้เกิดอาการหงุดหงิดลำคาญใจเลือให้เกิดความเหงาความว้าเหวได้ถ้าเราหยุดความคิดเหล่านี้ได้ใจของเราก็จะสบายกว่างานจะหยุดความคิดเหล่านี้ได้เราก็ต้องใช้สติถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเหมือนพยานบริกรรมพุทโธเวลาที่เราจะไปคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิด อย่าไปคิดเพ้อฝันอย่าไปคิดเลื่อยเปื่อยคิดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลคิดโดยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องคิดถ้าจะคิดก็คิดในเรื่องที่จําเป็นเรื่องที่เราจะต้องทํางานทําการทํามาหากินหรือทำอะไรอันนี้จําเป็นต้องคิดก็คิดไปแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นต้องคิดหยุดคิดดีกว่าแล้วใจจะมีความสุขมากกว่า แล้วถ้าเรานั่งเฉยๆนั่งสมาธินั่งหลับตาถ้าเรามีสติใจเราก็จะสงบได้เต็มที่จะนิ่งได้เต็มที่แล้วเราจะได้รับความสุขเต็มร้อยเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เองอันนี้ก็คือการสร้างสร้างความสุขที่ยิที่เต็มร้อยต้องสร้างด้วยการภาวนา สร้างด้วยสมัถภาวนาเพราะเวลาจิตสงบนิ่งเต็มร้อยจิตรวมเป็นหนึ่งสักตะวัตรู้เป็นอุเบกขาจิตจะมีความสุขมากการที่จะทำให้จิตนิ่งจิตสงบได้จิตต้องมีคำบริกรรมอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเช่นเวลานั่งสมาธิหลับตาก็ให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดอะไร ถ้าใจอยู่กับพุทธโธพุทธโธได้เดี๋ยวใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอนี่ก็คือถ้าเรายังไม่สามารถพุทธโธพุทธโธได้ตอนที่เรานั่งเราก็ต้องทำตอนก่อนที่เรามานั่งตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราพอจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เราไม่จำเป็นจะต้องคิดเราก็มาพุทธโธพุทธโธกันถ้าเราอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปได้เดี๋ยวใจก็จะสงบ ใจก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอเรามานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้เต็มที่ใจจะสงบต้องนั่งเฉยๆถ้ายังทานู่นทานี่อยู่ใจจะสงบไม่ได้เต็มที่สงบได้บางส่วนแต่ไม่ได้เต็มร้อยอาจจะได้เจ็ดสิบแปดเปอร์เนต์แต่จะไม่ได้เต็มร้อยถ้าจะให้เต็มร้อยนี้จะต้องนั่งเฉยๆ พอเวลาที่ร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่นิ่ใจยังต้องทำงานอยู่ใจ ย, ยังต้องเป็นผู้ควบคุมบงังคับสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆอยู่ถ้าเราต้องการให้ใจยหยุดทำงานทำทุกสิ่งทุกอย่างหยุดทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายก็ต้องนั่งเฉยๆเราจึงจำเป็นต้องนั่งสมาธิกันถึงจะทำให้จิตเป็นสมาธิได้ทาให้จิตมีความสุขที่เกิดจากความสงบได้ แต่ก่อนที่เราจะมานั่งเราก็ต้องเจริญสติก่อนเราสามารถเจริญสติได้ตอนก่อนที่เราจะมานั่งไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเราไม่ต้องคิดถึงเรื่องเรื่องที่เราทำก็ให้ใช้พุทโธพุทโธไปให้คิดแต่พุทโธพุทโธไปถ้าใจเราจะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็อย่าปล่อยให้ไปคิดให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเพื่อจะได้หยุดความคิดได้ ถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้เวลาเรานั่งสมาธิใจเราก็จะสงบได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็จะมีความสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางปวงแต่เป็นความสุขที่ยังไม่ถาวรเพราะจะสุขเฉพาะตอนที่เราอยู่ในสมาธิพอใจถอนออกจากสมาธิพอจะต้องมาทำธุละอะไรต่างๆใจก็เริ่มคิดใหม่ ถ้าใจเริ่มคิดแล้วถ้าเราไม่คอยควบคุมความคิดมันก็จะคิดไปในทางความอยากแล้วถ้าไปคิดในทางความอยากความสงบก็จะถูกความอยากนี้มาทาลายทันทีถ้าเราอยากจะรักษาความสงบหลังจากออกจากสมาธิแล้วเราก็ต้องหัดใช้ปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือความรู้ที่เห็นว่าที่รู้ว่าความอยากต่างๆนี้ เป็นอันตรายต่อความสงบของเราถ้าเราอยากให้ใจเราสงบใจเราเย็นเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราจะต้องรีบดับมันหยุดมันความอยากนี้เหมือนไฟไฟที่เราจุดเผาสิ่งต่างๆพอเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาถึงถึงที่เราควรจะทำทันทีคืออะไรก็ควรเอาน้ำมาดับไฟทันทีอย่าปล่อยให้ไฟมันลุกลาม ว่ามันจะทำให้สามารถที่จะเผาสิ่งต่างๆทำลายสิ่งต่างๆได้หมดเพราะฉะนั้นเวลาเกิดความอยากเราต้องเอาปัญญามาสอนใจว่าความอยากนี้ไม่ดีการทำตามความอยากก็ไม่ได้นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงเพราะสิ่งที่จะให้ความสุขที่เราจะได้จากการทำตามความอยากมันก็เป็นความสุขประเดียวประดาวเวลาได้มาใหม่ๆก็มีความสุข ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปพอมันหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เช่นเวลาเราไปเที่ยวเราก็มีความสุขพอเรากลับมาจากไปเที่ยวความสุขนั้นก็หายไปทําให้เรารู้สึกเหงารู้สึกว่าวเวยรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาก็จะทําให้เราต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมีเหตุการณ์ทําให้เราไม่สามารถไปเที่ยวได้เราก็จะไม่สามารถมีความสุขได้ เราก็จะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเราฝืนความอยากได้ทุกครั้งที่เราอยากไปเที่ยวอยากไปทำอะไรตามความอยากเราก็ใช้ปัญญานี้มาสอนใจว่าอยากทำดีกว่าเราใช้สติหยุดความคิดหยุดความอยากพอเราหยุดความคิดหยุดความอยากได้ต่อไปความอยากต่างๆก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเมื่อไม่มีความอยากเราก็จะมีความสงบไปตลอดเวลา โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในสมาธิผู้ที่มาสร้างความวุ่นวายใจสร้างความไม่สงบให้แก่ใจเราก็คือความอยากต่างๆนี้เองแต่ถ้าเราสามารถใช้ปัญญาใช้สติคอยดังับความอยากต่างๆได้ต่อไปก็จะไม่มีความอยากปรากฏขึ้นมาเพราะเราจะไม่ทำตามความอยากพอเราไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็จะหมดกำลังไปเอง แล้วเราก็จะมีความสุขตลอดเวลามีความสุขตลอด24ชั่วโมงมีความสุขตั้งแต่วันนั้นไปจนถึงวันตายจิตของเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บหรือจะตายหรือไม่ไม่ว่าเราจะมีเงินทองหรือไม่ไม่ว่าเราจะสามารถไปทำอะไรหรือไม่สามารถไปทำอะไร มันก็จะแม่มามีผลต่อความสุขใจที่เราได้สร้างขึ้นมาด้วยการบำเพ็ญการภาวนานี่เอง <c oughs> นี่คือบุญที่สำคัญที่สุดก็คือการภาวนาการที่จะภาวนาได้เราก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนแล้วการที่เราจะมีศีลเราก็ต้องเป็นคนที่ใจบุญคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ถ้าเป็นคนที่ไม่ใจบุญก็จะรักษาศีลลาบากเพราะคนที่ไม่ใจบุญนี้จะมีความโลภความอยากมีความเห็นแก่ตัวก็อยากจะทำอะไรให้กับตัวเองมากกว่าทาให้ผู้อื่นแล้วเวลาอยากจะทาอะไรอยากจะได้อะไรมากๆก็อาจจะไปทำร้ายผู้อื่นก็ได้แต่คนที่ชอบทำบุญนี้จะไม่ชอบทำร้ายผู้อื่นและไม่ชอบทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ก็จะทําให้รักษาศีล ต, ต่างๆได้พระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราเริ่มต้นที่การทําบุญทําทานแล้วให้เราเก้าวไปสู่การาสู่การรักษาศีลและสู่การภาวนาเราจะทําให้เราสามารถสร้างความสุขใจได้อย่างเต็มร้อยส่วนบุญชนิดอื่นเราก็สามารถเลือกทําได้ตามวาระตามโอกาส บุญต่างๆนี้เราอาจจะสามารถแบ่งไว้เป็นสองพวกใหญ่ๆคือพวกที่จําเป็นจะต้องทําและพวกที่ทําไปตามโอกาสถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนอาหารหลักกับอาหารเสริมอาหารหลักนี้เป็นอาหารที่เราต้องกินกันทุกวันเช่นกินข้าวกินกับข้าวอย่างนี้เราต้องกินกันทุกวันแต่อาหารเสริมเช่นขนมนมเนยผลไม้ของหวานอะไรต่างๆเป็นของเสริม มีกินก็กินได้ไม่มีกินก็ไม่กินก็ได้ไม่เดือดร้อนบุญก็เป็นลักษณะนั้นบุญที่เราต้องทำเป็นประจำกับบุญที่เราทำตามวาระโอกาสที่มีโอกาสให้ทำเราก็ทำไปบุญที่เป็นบุญหลักที่เราควรที่จะมีอยู่ก็มีอยู่4ชนิดด้วยกันคือหนึ่งการทำทานสองการรักษาศิน ส, สามการภาวนาและสี่ การฟังเทศฟังธรรมและห้าการมีความเห็นที่ถูกต้องอันนี้เป็นบุญหลักที่เราต้องมีเสมอเราต้องทำทานเพราะการทำทานนี้เป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารให้อาหารกับใจร่างกายเราต้องกินอาหารทุกวันเราก็ต้องควรจะทำบุญทุกวันศีลเราก็ต้องควรรักษาตลอดเวลาภาวนาเราก็ควรจะทาตลอดเวลา ถ้าเราอยากจะเห็นผลได้อย่างรวดเร็วเราต้องรีบเราต้องขยันภาวนาอยากไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วเราก็ต้องฟังเทศฟังธรรมเพราะถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราอาจจะหลงทางได้เพราะการฟังเทศฟังธรรมเป็นเหมือนกับการดูแผนที่เรากำลังจะเดินทางไปสู่ที่ที่เราไม่เคยไปถ้าเราไม่คอยเปิดแผนที่เดี๋ยวเราก็ไปเดินไปผิดทางได้ เราต้องคอยเปิดแผนที่ดูว่าเรากําลังสร้างความสุขใจให้กับเราหรือว่าเรากําลังสร้างความไม่สบายใจให้กับเราเราจะรู้ถ้าเราเปิดแผนที่ดูพอเราไปทํากิจกรรมที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ก็แสดงว่าเราไปผิดทางนะเช่นพอเราไปเที่ยวกันนี้ก็เรียกว่าเราไปหลงทางนะพอเราไปหาลาบยศสรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เจนไปดูหนังฟ sort of ังเพลงไปทําอะไรต่างๆทางตาหูจะบูกลิ้นกายนี่แสดงว่าเรากําลังหลงทางไปผิดทางเราต้องดูว่าเราไปในทางของบุญสิประการนี้หรือเปล่าถ้าเรายังทําทานอยู่ยังรักษาศีลอยู่ยังภาวนาอยู่ยังฟังเทศฟังธรรมอยู่ยังมีความเห็นที่ถูกต้องอยู่ยัง อุทิศบุญอยู่เวลาเราทำบุญแล้วเราก็อุทิศบุญเวลาเห็นคนอ mm ื hmm. ่นเขาทำบุญเราก็อนุโมทนาบุญกับเขาไปเวลาเห็นคนอื่นเขาทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือเขารับใช้กันไปเวลาที่เราพบปะกันเราอ่อนน้อมถ่อมตนหรือเปล่าหรือเราถือเนื้อถือตัวอวดแบ่งอวดดีหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นแผนที่คอยบอกให้เรารู้ว่า เราไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่เพราะถ้าเราไม่หมั่นฟังเทศฟังธรรมเดี๋ยวเราหลงทางได้แล้วเดี๋ยวเราลืมทางได้แล้วเพราะว่าเรามีตัวที่ชอบหลงมาคอยหลอกเราอยู่เรื่อยๆคือความหลงความหลงมันจะชอบหลอกให้เราไปอีกทางหนึ่งไปทางหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพาให้หลอกให้เราไปหาลาภยศสรรเสริญ เช่นบางคนเนี่ยถูกหลอกว่าต้องไปหาเงินเยอะๆก่อนถึงจะมาบวชได้อันนี้พอมันมีเงินเยอะมันก็บวชไม่ได้ละมันเสียดายเงินอีกอันอย่าไปถูกหลอกบางคนก็ถูกหลอกให้ไปหาเงินจะได้มาทําทุกทาบุญแต่ไม่ใช่เจาวเงินมาทําบุญหรอกเอาเงินไปเที่ยวมากกว่าเอาเงินไปซื้อของกินของเล่นมากกว่าอาจจะมาทําบุญแต่ก็เป็นส่วนน้อยอาจจะทําบุญสักร้อยละสิบ คนชอบมาขอหวยพระเลยขอหวยบอกถูกถวยแล้วจะมาทำบุญพอถูกจริงๆก็มาทำแค่สิบเอร์เซ็นต์นะเก้าสิบเปอร์เซ็นก็เอาไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นกันกเราเรียกว่าติดสินบนแล้วเราต้องความเร่งคามตามอยู่่เรื่อนเราจะได้ไม่ยหลงทางส่วนรวนเนึังเราก็ทำไปตามหลกัก ทิศบุเวลาเราทําบุญแล้วเราก็อุทิศให้แก่ผู้ทีนทท่น้อมรับไปแนละ้วถ้าเราเห็นผู้อนะื่นก็ทำบุญเราก็แสดงความยินดีสกัดการทําบุญของเข า, าไปขวางอย่าไปห้ามเพราะการทําบุญไม่เสียหายไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับใครมีแต่คนมีประโยชน์อันนี้ก็คือบุญเสริมบุญเสริมก็คือการอนุโมทนาบุญก็บ การอุทิศบุญการช่วยเหลือรับใช้ผู้อื่นการการอ่อนน้อมถ่อมตนและการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นถ้าเรามีธรรมะเราก็สามารถให้ธรรมะแก่ผู้อื่นได้ถ้าเรายังไม่มีเราก็ยังไม่ต้องให้นี่คือเรื่องของการทำบุญสิบประการด้วยกันที่จะทำให้ใจของเรามีความสุข น่าจะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขใดในโลกนี้ไม่มีไม่มีเหนือกว่าความสุขใจดังนั้นขอให้เรามาสร้างความสุขใจกันด้วยการทําบุญทั้งสิบประการนี้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนา ยะถาวาริวาฮาปุราปริโุเรติสากรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาหระโสยะถามณิโชติ ภราสุยาสัส so พีติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวาอภิวาทานศิลิตสะนิจจังุทธาปัจายโนจัตารุธรมมวทานเิอายุวันโสุขัง ล, ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าจะไม่ให้ถามหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วหลังจากที่เราเลิกก็ขอเลิกถ้าถามก็ขอให้ถามในตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนข้อความเข้ามาถามก็ได้ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยกวันนี้ทางบ้านเข้ามาเท่าไหร่ทาง Facebook, Facebook. กับ YouTube Facebook 406ค่ะพระอาจารย์ u t u b e 82เรดิโ21แล้วก็ Walk-in 132ค่ะพระอาจารย์รวมกันเท่าไหร่รวมเป็น644 644ะโอเคอ่ ะ, okay. อะถ้ามีใครคำถามก็เชิญถามได้ตอนนี้นกับนิมมัสการพระอาจารย์กับผม เขาอนุญาตใช้คําถามจากคนบาปนะครับตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกตามมาบัวท่านท่อพระปาช่วยชาติเนี่ยโยมไม่มีโอกาสได้ทําบุญสักบาทหนึ่งสลึงหนึ่งวันนี้โชคดีพระอาจารย์เทศเรื่องของโอกาสในการทําบุญคือบุญที่ทําเป็นประจําและบุญที่ทําตามโอกาสโยมเห็นโอกาสในการทําบุญอย่างนี้ครับมันมีกรณีที่ อ, อ รถไฟฟ้ารฟมรเนี่ยเขาเวนคืนที่ดินประชาชนไปในราคาถูกพันกว่าล้านบาทและเขาไปขายสัมปทานเมือเอ่อสิ้นปีนี้นะครับก็ขายไปมากกว่าสองแสนล้านบาทการขายเนี่ยมันก็แปลว่าเขาทำเงินกำไรมากกว่าสองแ 2,000 ล้านบาทและผู้ที่ซื้อสัมปทานนี่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เขาก็จะต้องมาเก็บเงินจากประชาชนเป็นค่าโดยสาร มากกว่า200ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยภายในระยะเวลาสัมปทานคือ33ปีครับคำถามของอโยมตรงนี้นะครับว่าคือบุญที่จะจะสร้างในเวลาเนี้ยนะ ค, คือสร้างกับประชาชนทั้งประเทศนะครับในมูลค่าโยมเชื่อว่าไม่น้อยกว่า500ล้านบาทเมื่อครั้งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านทอดพระปะช่วยชาติมันต่างกันตรงที่ว่า เงินจำนวนเนี้เราเห็นเห็นอยู่กับว่าเขาซื้อขายแล้วทำกำไรกันจมกำลังจะสร้างบุญตรงที่ว่าเรียกร้องให้ผู้ขายคือรอฟอรมอที่เขามีวัตถุประสงค์ที่จะทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมไม่ได้หวังค่ากำไรนำเงินกว่าสองแสนล้านบาทเนี้ยมาเพื่อประโยชน์สาธารณะครับผมก็บอกเขาได้แต่ก็จะทาตามหรือไม่ก็ สั่งเข้าไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้บอกแล้วก็จบอย่าไปทําให้เกิดมีเรื่องวิวาทะกันแทนที่จะเป็นบุญก็เลยกลายเป็นบาปไปถ้าเรามีความรู้ว่าแนะนําเขาว่าควรเอาไปทําบุญอถ้าเขาเอาไปทําบุญก็ดีถ้าเขาไม่ทําบุญก็เรื่องของเขากราบกราบขอประทานภัยพระอาจารย์คืออย่างนี้ครับเรื่องมีปัญหาว่าไปออกทีวี อยู่สองช่องสามครั้งได้เชิญผู้ว่าการท่านาผู้รักษาการว่าการลอฟมอร์ออกมาตอบคำถามแต่ได้รับคำตอบว่าไม่สะดวกมาตั้งแต่เดือนกันยาปี2560แนห้าณวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์แล้วนะครับก็ยังไม่มีการชี้แจงโยมก็เป็นห่วงาจากการฟังเทศพระอาจารย์ที่เมตตาว่าบุญนี้เป็นโอกาส โอกาสนี้ยังสดสดร้อนๆเนื่องจากว่าการขายเนี่ยเพิ่งในเดือนธันวาคมครับพระอาจารย์อครับผมก็แล้วแต่เขาไง น, นี่จะจะเป็นบุญไหมครับพระอาจารย์เราไม่ได้บุญหรอกเราไม่ได้บุญหรอกช่วยคนทั้งประเทศอย่างนี้พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านอาทอดพระปาช่วยชาติเกาท่า น, นเป็นบุญใหญ่นะครับก็ถ้านนําท่านเเงินไปให้เขาก็ช่ว ย, ยแต่เราไม่ได้เอาเงินไปให้ใครแล้วไปช่วยใครน่ะ แต่ถ้าเอาคว้ากระเป๋าเงินไปให้ชประชาชนนัเราก็จะได้บุญแต่เราไปพูดให้คนอนเขาบอกให้เขาทาบุญเราไม่ได้บุญหรอกมันเป็นเงินของประชาชนนะครับอาจารย์มันจะเป็นของใครก็เรื่องของเขาอ่ะไม่ใช่เรื่องของเราครับใช่ไหมมันเป็นเรื่องของเงินมันอยู่ในมือใครก็เป็นของคน ข, ของคนนั้นเข้าไปแหละเขาจะไปทํำไม่ทําก็แล้วแต่เขาอืมเราไปบังคับเขาไม่ได้ แม้แต่อาตมาก็ไม่ไปบังคับให้ญาติโยมไปทําบุญกันนี้ญาติโยมมีเงินเนอยอะแยะเอาไปทําให้มันหมดเลยสิเนีก็พูดได้แต่จะไปทําหรือไม่มันก็เรื่องของญาติโยมเนี่ยงั้นถ้ามันไม่ใช่เป็นเงินของเราเราไม่ได้บุญหรอกไปบอกให้คนหนึ่งก็าทาบุญก็เป็นเพียงแต่อาจจะใ ห, ให้ธรรมะแก่เขาเป็นธรรมทานาส่วนเขาจะเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้มันก็อยู่ที่เขาอีก ซึงเราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้ถ้าไปบังคับมันก็เป็นเรื่องของกกเลตแล้วไม่ได้บังคับแน่าาแต่เขาให้เขาข้ามาชี้แจงแล้วยงเชื่อว่าเขาคงไม่กล้าพูดว่าเขาจะเอาเงินมากกว่าสองแสนล้านบาทเนี่ยไปจ่ายโบนัสคนงานหรือว่าก็แล้วแต่เขาไงเขาจะทําไหมเขาเรื่องของเขาเราบอกของเราแล้วเราก็จบส่วนก็จะทําหรือไม่ทํามันก็เรื่องของเข า, เ า, เานขา ะ, า ะ, น ะ, ะคําถามฝากถามค่ะ ตอนนั่งสมาธิแล้วภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆจนคําภาวนาหายไปจะติดทําอย่างไรต่อครับก็ภาวนาต่อภาวนาใหม่ถ้ามันหายไปก็เรียกมันกลับมาใหม่ได้ไหมก็พุโทโธใหม่นอกจากว่ามันสงบจริงๆแล้วมันก็จะหายไปถ้าหายไปเพราะมันสงบก็ไม่ต้องดึงมันกลับมาแต่มันจะมีความสุขมากมันจะอิ่มจะพอจะเป็นอุเบกขา แต่ถ้ายังไม่เป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าสติมันหมดเราก็ต้องปลูกสติขึ้นมาใหม่ด้วยการบริกรรมพุโทโธใหม่คำถามจากเฟ e บุ๊ k คำถามจากคุณพรพิมลเมื่อวานเลขที่เกี่ยวกับพระอาจารย์เปลี่ยนทำให้ลูกศิษย์ถูกหวยกันเยอะคะ่ะเงินที่ถูกหวยเอาไปทำบุญจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกก็ การเล่นหวยการไปมันก็เป็นเหมือนธุรกิจอย่างหนึ่งเราไปซื้อของเขาแล้วเขาก็ให้ของที่เราต้องการกลับมาก็เท่านั้นเองอเราจะไปทำอะไรก็ได้เงินที่เราได้มาแ ม, แม่จะเป็นเงินที่ขโมยมาแล้วก็ยังเอาไปทำบุญได้แต่ว่ามันมีบาปติดมาด้วยถ้าเราไปขโมยเงินเข้ามาเราก็ได้ทำบาปแต่เอาเงินที่เขา ที่เราไปขอโมยมาไปทำบุญเราก็ได้บุญแต่บุญที่ได้กับบาปที่ได้นี้มันไม่เท่ากันบาปมันจะมีกําลังมากกว่าบุญที่เราไปทำเห็นการที่จะไปหาเงินแบบนี้มาทำบุญสู้อย่าทำดีกว่าได้ไม่คุ้มเสียคำถามจากคุณมะชื่นมะชื่นกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าผู้บรรลุธรรมขั้นโสดาบันแล้ว จะไม่มีการแต่งหน้าทําผมแต่งตัวฉีดน้ําหอมถูกไหมเจ้าคะ อ, อ๋อไม่ถูกหรอกพระโสดาบันท่านยังไม่ได้ละกามะกามะกามราคะความอยากสวยอยากงามความอยากที่จะมีแฟนอยากร่วมรับนอนกับแฟนนี้พระโสดาบันยังละไม่ได้พระโสดาบันละได้เกี่ยวกับเรื่องความกลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะท่านเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นไม่ใช่ตัวท่าน ทำมาจากดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายพระโสดาบันละตรงนี้ได้ละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้แต่ยังไม่ได้ละความอยากสวยอยากงามอันนี้ต้องเป็นขั้น ที่สองที่สามคือขั้นพระสกิดาคามีขั้นพระอนาคามีขั้นนี้จะต้องเริ่มพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายพิจารณาเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายมันไม่สวยงามหรือพิจารณาดูส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังลงเข้าไปเช่นกระดูกอวัยวะต่างๆปอดหัวใจตับลำไส้อะไรต่างๆเหล่านี้พอเห็น ส่วนที่ไม่สวยงามต่างๆของร่างกายก็เลยไม่รู้ว่าจะไปะเสริมความงามภายนอกทําไมท่านก็จะไม่สนใจกับเรื่องความสวยงามของร่างกายแล้วจะไม่สนใจที่อยากจะไปมีแฟนเพราะเห็นรูปร่างของแฟนเห็นเข้าไปข้างในแล้วก็ไม่อยากจะได้เขาเห็นลำไส้เห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นสิ่งที่มีสิ่งสกรปรกต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเขา ก็จะทำให้ไม่มีความรักไม่มีการอารมณ์เกิดขึ้นมาขายหวยใต้ดินบาปไมมเจ้าค่ะก็ผิดกฎหมายนะฮะผิดกฎหมายก็เป็นการกระทำที่เหมือนกับไปย่าง อ, อาชีพของผู้อื่นเขาก็รัฐบาลเ็ามีอาชีพขายหวยอยู่แล้วเราไปย่างขายหวยโดยที่ไม่ไปขออนุญาตจากเจ้าของเขาเหมือนรัฐบาลเ็ามีสัมปทานขายหวย ถ้าเราก็ไปขายแข่งกับเข า, าก็เหมือนกับไปแย่งรายได้ของเขาก็เรียกว่าเป็นเหมือนการลักทรัพย์เนี่ยก็เป็นการกระทำบาปกราวณมสการพระอาจารย์ค่ะการที่ฝากเงินหรือฝากกับข้าวให้คนอื่นไปใส่บานเราจะได้บุญหรือไม่คะได้ได้อาจจะได้ไม่เต็มร้อยได้เก้าสิบเก้าเอร์เซ็นต เพราะอีเปอร์เซ็นต์หนึ่งเป็นบุญที่ต้องเกิดจากการทําความเพียรของเราคือเราต้องมีสละเวลามีเวลาไปใส่อันนี้เราก็ไปได้แล้วก็แบ่งให้คนที่ก็เอาไปทําให้เขาก็จะได้ส่วนนั้นไปส่วนที่ทําแทนเราไปแต่บุญส่วนใหญ่เป็นของเราเพราะข้าของเงินทองที่เราเสียสละเป็นของเราอันนี้ไม่มีคําถามทางบ้านเข้ามาไม่ทราบว่ามอีอุปสรรค ในการติดต่อหรือเปล่าเพราะปกติธรรมดาจะมีคําถามเข้ามาอย่างมากแม้ว่าดูซิว่ามันเหมันมันค้างที่ตรงไหนเข้ามาไม่ได้หรือเปล่าคือโยมที่สังเกตนะคะมีสิ่งหนึ่งที่สังเกตเลยว่าเอ่อตอนไปอยู่วัดดอยมาหนึ่งเดือนแล้วสังเกตพระองค์หนึ่งเนี่ย ไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะคะท่านอยู่ด้วยท่านไม่ได้อยู่ด้วยความทุกข์อะค่ะก็เลยคิดว่าท่านอยู่ด้วยปัญญาก็เลยอยากจะขอให้อาจารย์แนะนำว่าการที่จะเอาปัญญาเพื่อจะได้มีความพยายามพ้นทุกข์เนี่ยมันมีองค์ไหนไหมคะที่ใช้ลักษณะนี้ค่ะเพราะว่ายมงสังเกตเห็นองค์นี้เด่นมากเลยเพราะว่าอย่างองค์อื่นเนี่ยถ้าโยมจะขออนุญาตว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสีกาอะไรเงี้ยแต่องค์นี้จะไม่มีปัญหาเลยและโยมสังเกต นานแล้วค่ะว่าท่านใช้ปัญญาในการอยู่ก็ อ, อยากจะให้หร อ, อต้องไม่ทราบต้องไปคุยกับเขาเสยมาถามเราได้ไงเราไม่ได้เป็นเขาเนี่ยคุณอยากจะรู้ก็คุยกับเขาเสกแล้วท่านท่านอยู่ยังไงก็อยู่ได้สองอย่างไม่สติก็ปัญญานี่แหละสองอย่างนี้ถ้ามีสติก็จะควบคุมความคิดได้หยุดความคิดหยุดความอยากได้เป็นพั ก, พก แต่ถ้ามีปัญญาก็หยุดความอยากได้อย่างถาวรก็มีสองตัวนีนะ้ที่จะทำให้อยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายอยู่อย่างไม่ต้องไปมีอะไรไม่ต้องไปทำอะไรท่านให้สติกับปัญญารวมกันเหรอหรือมันมาด้วยกันเลยมันเป็นคนละตัวไงตอนต้นเราก็สร้างสติก่อนฝึก ส, สติพุทโธพุทโธเพื่อควบคุมความคิดความอยากเมื่อเราควบคุมความคิดความอยากได้ใจเราก็จะสุขจะสบาย แต่เวลาเราเพอสติความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาได้ถ้าเราอยากจะให้ความอยากมันไม่โผล่ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจเราวุ่นวายทำให้ใจเราไม่สงบและสิ่งที่เราอยากได้มันก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราถ้าเรารู้ด้วยปัญญาต่อไปเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ไม่ทาตามความอยาก พอเราไม่ทําตามความอยากต่อไปก็จะไม่มีความอยากมายุยงให้เราไปทําอะไรต่างๆเราก็จะอยู่อย่างสงบไปตลอดองั้นก็ต้องเริ่มที่สติก่อนพอมีสติแล้วก็ฝึกปัญญาต่อ mm hmm. เข้าใจไหอก็ทําไมไม่ถามท่านล่ะไปอยู่ mm hmm. อยากจะรู้ว่าท่านอยู่ได้ยังไงเครื่องอยู่ของท่านคืออะไร mm hmm. ก็ถามท่านดูเนี่ย ว่าถ้าไม่เรียกว่าอาจารย์จะไม่ไม่คุยเหรอคะโยมก็เลยไม่ค่ะไม่คุยก็ไม่ต้องไปสนใจกันเรื่องของท่านก็แล้วกันสนใจเรื่องของเราจะดีกว่าเรามีสติมีปัญญาหรือเปล่าอเราอยู่อย่างสงบได้หรือเปล่าคนอื่นเขาจะอยู่สงบไม่สงบมันไม่ได้ทําให้เราสงบหรือไม่สงบเรามาดูตัวเราดีกว่าไม่ต้องไปสนใจกันเรื่องของคนอื่นถ้าจะดูก็ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้ดีแล้วก็ควรจะเอาแบบอย่างเขา แบบนี้ไม่ดีเราก็อย่าไปเอาแบบอย่างเขานี่คือการดูคนอื่นดูเพื่อเอามาเป็นคติสอนใจถ้าคนนี้ชอบเกี้ยวพาราสีก็อย่าไปทำตามเขาไม่ดีคนนี้เขาเรียบร้อยสงบเสงี่ยมไม่ไปมีปัญหากับใครเราก็เอาแบบเขาแบบนี้ดีกว่าอพอใจเราจะไปวุ่นวายกับใครเราก็ทาให้มันสงบซะอย่าไปวุ่นวาย อย่างโยมนี่จะไปวุ่นวายกับลราฟอร์มอก็สงบดีกว่าเรื่องของเขาเถอะไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่ได้อยู่ที่เงินหรอกความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินยันไม่มีเงินก็ ม, มีความสุขได้ไม่ต้องสอนเขาทำบุญดีกว่าสอนทุกคนทาบุญตามกำลังตามวตามโอกาสตามฐานะมีเงินก็ใช้ใ ช, ใช้บุญทาเงินใช้เงินทำบุญก็ได้ไม่มีเงินก็ใช้ศีล เป็นบุญใช้ภาวนาเป็นบุญก็ได้นะโยมมองอย่างนี้ครัอาจารย์มันเหมือนกับเหมือนโยมมองว่าเหมือนกับโจรปล้นนะครับตอนนี้ก็เราไปก็เราไปมองอย่างนั้นโยมโยมก็กําลังจะช่วยเอาทรัพย์ที่ปล้นเนี่ยะทีนี้คนอื่นกเขาพม์ก็ตํำรวจก็ไม่เห็นน่ะแล้วเราจะเราจะไปเห็นแทนตำรวจได้ยังไงอก็บอกตํำรวจไปสื่อแจ้งความในวันนี้เขาต้นคือคือตอนนี้เนี่ย ยมเชื่อว่าดีกว่านั้นอีกครับเพราะว่าไม่ต้องจับคุ้มเพราะเงินมันยังอยู่นะครับแล้วก็ให้เข้ามาตอบคําถามที่ว่าไอ้เงินกว่าสองแสนล้านบาทเนี่ยที่คุณขายไปได้กําไรไม่ใช่จากการเดินรถเนี่ยคุณเอามาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ก็เท่ากับคืนเจ้าทรัพย์น ะ, ะคนทั้งประเทศที่โยมว่าโยมเป็นคนบาปเพราะว่าพ่อแม่ครูบอาจารย์ทอดพระปาช่วยชาติโยมไม่มีโอกาสจะทําบุญเลยบาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็ไม่ทําขับรถพันสวดแสงทํา แทบทุกสัปดาห์แยม่มากตรงนี้โยมก็เลยคิดว่าบุญโดยโอกาสที่พระจ า, านทร์พุ่งเทพเนี่ยว่าบุญเหมือนอาหารกินทุกวันอันนี้เป็นบุญโดยโอกาสมันเพิ่งขายสดๆมันข้อไหนลนะ่ะสิบข้อเนี่ยที่บอกเป็นบุญนะ <c oughs> <c oughs> นะบอกมาที่ข้อไหนอ อ, อ, อสมมติว่าโยมถูกล้วงกระเป๋านะครับ อ, อคุณพี่คนหนึ่งหรือคุณน้องก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนชาติเดียวกันหรือคนต่างชาติก็ได้จะจีดดูนะครับไอคนเนี้ล้วงกระเป๋าผม นะฮะนะฮะบอกคุณนี่เขาเก็บกระเป๋าเนี่ยเอาไปคืนครับะะคือบ้านเมืองก็มีขือมีแปรมีตำรวจเราเห็นใครทำผิดกฎหมาย ก, ก็ไปแจ้งความเราไปทำเป็นสารเป็นตำรวจเองไม่ได้เดี๋ยวก็จะจับเราเข้าคุกแทนไ ม, ไม่ไม่ได้ครับยังยังไม่ยังไม่เอายังไม่เอารถเขาเข้าคุกนะฮะเพราะว่าเงินมันยังอยู่เหมือนกับคน <laughs> คนจับกระเป๋าเนี่ยเก็บกระเป๋าตกเนี่ย <c oughs> เขาทําเป็นไม่รู้ว่าของใคร <c oughs> นาโยมบอกว่าเนี่ยเจ้าของคือประชาชนคนทั้งประเทศนะอ่ะนะฮะเอามาคืนนะไม่ต้องจับ เ, เพราะว่าจับก็บาปกรรมโยมเพราะเขาก็เขา้าเขา้าคุกไงครับอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคถามค่ะกรณีเรารักษาสีลห้าถ้าเราเผลอฆ่ามดแบบนี้ผิดศีลหรือศีลด่างพลอยใช่ไหมคอถ้าเราไม่มีเจตนาไม่ไม่ผิดศีลไม่ด่างพรอยเหมือนกับเราขับรถแล้วสุนัขวิ่งตัดหน้ารถอนี้ เราชนมันตายเราไม่ได้ผิดศีลเพราะเราไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจที่จะไปทำร้ายเขาแล้วถ้าศีลข้อห้ามพูดปดห้ามพูดปดอย่างเดียวหรือคะถ้านินทาหรือวิพากษ์วิจารคนอื่นพูดเพ้อเจอ้อแบบนี้ผิดศีลข้อนี้ไหมเจ้าคะถ้าศีลห้าไม่ผิดนต้องเป็นศีลแปดขึ้นไปถึงจะถือศีลศีลแปดก็ไม่ผิดนะเพราะในศีลแปดก็ขอเพียงแต่ไม่พูดบดเท่านั้นเอง อันนี้อยู่ในอากุศ ล, ลบทมากกว่าคือถ้าต้องการรักษาศีลแบบละเอียดคือนอกจากการไม่พูดบทแล้วก็ต้องไม่พูดเพ้อเจอไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดอันนี้ถึงแต่ไม่ไม่ได้อยู่ในศีลห้าหรือศีลแปดอยู่ในอากุศลคำถามต่อจาก facebook ค่ะจากคุณปลุกปลูปลาการที่เราตัดสินใจละทางโลก ไปสู่ทางธรรมนั้นทําไมทํายากคะแล้วขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ค่ะเพราะเหมือนการเปลี่ยนมือเราเคยถนัดมือขวาแล้วเราต้องมาหัดใช้มือซ้ายเนี่ยมันมันไม่ง่ายเพราะเราไม่เคยใช้มันมาก่อนนต่มันก็ไม่สูตรวิสัยถ้าเราพยายามหัดใช้มันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะถนัดเหมือนกับมือขวา อันนี้ก็เหมือนกันเราเคยถนัดอยู่แบบคารวะอยู่แบบหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายพอเราต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขอยู่แบบอยู่กับความสงบอยู่แบบไม่ไม่หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเราก็รู้สึกยากเพราะมันจะรู้สึกทรมานใจแต่ถ้าเรามีความอดทนแล้วก็พยายามสร้างความสงบสร้างความสุขแบบใหม่ขึ้นมาได้ต่อไปเราก็จะอยู่ได้อย่างสบาย คำถามจากคุณอ้อมสิริพรถ้าเราได้ไปกราบศรีระพระอาจาครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ลาสังขารไปแล้วและได้ทําบุญถวายให้ท่านจะมีอนิสงส์อะไรบ้างคะก็ไม่มีอะไรก็มีไปกราบก็เป็นการไปแสดงความเคารพเท่านั้นเองไปแสดงความเคารพความอาลัยในความดีงามของท่านแล้วถ้าเราทําบุญสละเงินทองมันก็เป็นการทําทาน ซึ่งเราทำที่ไหนมันก็เหมือนกันใส่บาต ท, ที่บ้านก็ได้ไปใส่บาต ท, ที่วัดท่านก็ได้มันก็ได้บุญเท่ากันบุญแบบเดียวกันคำถามจากคุณจันสิริพระอาจารย์มีเทศอบรมพระไหมคะก็ไม่มีโอกาสเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสที่นี่ไม่ได้เป็นครูอาจารย์ของของวดัดก็เลยไม่มีพระเขาที่จะมาให้เราสอนเขามีครูอาจารย์ของเขา เราสอนแต่คนที่เขาจะมาหาเราซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติโยมก็เลยได้มีโอกาสสอนแต่ญาติโยมเท่านั้นเพราะการจะสอนใครก็ต้องให้เขายินดีให้เราสอนถ้าก็ไม่ยินดีเราก็ไปสอนเขาไม่ได้คำถามอีกคำถามจากคุณจันทริคะ่ะคนจนมีเงินหนึ่งร้อยบาททำบุญหมดตัวหนึ่งร้อยบาทกับคนรวยทำบุญหนึ่งร้อยบาท จะได้บุญเท่ากันไหมเจ้าคะอ๋อไม่เท่ากันล่ะเหมือนเหมือนหนูกับช้างอ่ะหนูกินข้าวช้อนหนึ่งกับช้างกินข้าวช้อนหนึ่งนี่ใครจะอิ่มกว่ากันอหนูต้องอิ่มกว่าใช่ไหมเพราะตัวมันเล็กกินข้าวช้อนหนึ่งนี่พุงก็กลางละแต่ช้อนช้างกินข้าวช้อนเดียวนี่ไม่รู้สึกอะไรคนที่มีร้อยหนึ่งแล้วทำร้อยหนึ่งก็เหมือนทําหมดเลยมีร้อยทำร้อยละร้อยคนที่มีร้อยล้านแล้วทำร้อยเดียว ก็เหมือนกับทําเศษก็เหมือนกับกินข้าวช้อนเดียวเช่นเหมือนให้ช้างกินข้าวช้อนเดียวความรู้สึกทางจิตใจก็เลยไม่อิ่มแต่คนที่มีร้อยแล้วทําร้อยนี่จะรู้สึกอิ่มมากเพราะได้เสียสละเงินทองที่มีทั้งหมดไปคําถามจากคุณจอมแจมเวลาใส่บาทเห็นพระยืนรอ ที่ร้านขายอาหารแล้วไม่อยากใส่บาทแต่ก็ใส่ไปเพราะวันนั้นมีพระน้อยมากคิดอย่างนี้บาปไหมเจ้าคะ่ะ อ, อ๋อไม่บาปหรอกเพราะเราอาจจะเคยกับพระที่เดินไปเดินมาตามบ้านต่างๆแต่สมัยนี้ในเมืองในกรุงนี้บางทีก็ไม่มีใครใส่บาทตามบ้านใครก็อยากจะใส่บาทรเขาก็มากไปที่ตลาดไปที่ร้านเพราะเราก็เคยไปบินบาตรที่กรุงเทพ เดินไปตามบ้านมันก็ปิดบ้านหมดไม่มีใครออกมาใส่บาตรบ้านที่เขาใส่บาตรเขาก็ใส่เฉพาะกับพระขาประจำเขาถ้าพระขาประจํามาเขาก็จะก ด, ดเขาก็จะกดกิ่งแล้วเขาก็จะเปิดประตูมาใส่แต่พระจอนมาเขาก็ไม่ใส่เหตุนี้พระจอนก็เลยต้องไปแถวตลาดที่มีคนเข้าไปซื้อกับข้าวกับปลาแต่ก็ไม่ควรไปยืนยืนที่หน้าร้านมันไม่เหมาะสมควรจะเดินไปหลายๆรอบ แล้วไปรอบหนึ่งแล้วถ้ายังไม่พอก็วนกลับมาใหม่เหมือนแท็กซี่กลับรอบรอบผู้โดยสารเอพอได้ผู้โดยสารแล้วก็ไปแต่ยังไม่ได้ก็ต้องเดินวนไปเรื่อยๆก่อ น, นกว่าจะหารจะพอพระที่ก็เดินเขาอาจจะเป็นค้าผาประจําที่นั่นเขาอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหุ้นส่วนของแม่ค้าก็ได้ พอถ้าไม่มีพระไปยืนก็ไม่มีใครไปซื้อของใส่แม่ค้าก็ขายของไม่ได้เขาอาจจะมีทําสัญญากันก็ได้ว่าหลวงพี่ยืนอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวกับข้าวที่หลวงพี่ได้เอามาเปลี่ยนเป็นเงินไปก็ได้อบางทีหลวงพี่อาจอยากจะได้เงินแทนที่อยากจะได้กับข้าวอ่าก็เป็นเรื่องของท่านนะมันก็ไม่ได้บาปถ้าไม่ได้ไปเขาถ้ามันก็ไม่ได้ไปขโมยเงินของใครเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นวิถีของพระที่จะทํา พระบินทบาพเพื่อหาอาหารแต่ที่นี้พระสมัยนี้อาจจะมีภาระอาจจะมีลูกมีหลานอยู่ต่างจังหวัดมาขออาศัยอยู่ว้านดะไรสนับสนุนส่งเสริมให้มันเรียนหนังสือทีพระก็เลยต้องหาเงินมาส่งค่าเล่าเรียนให้กับลูกหลานไปอันนี้พูดในแง่ดีน ะ, ะเพราะในแง่ไม่ดีเราไม่อยากจะพูดน ะ, ะพูดใน ใ, ในในแง่ดีไว้ก่อนอ แต่ไม่ควรพูดตามหลักแล้วภาพไม่ควรหาเงินแล้วควรจะหาอาหารแล้วก็ไม่ควรจะยืนควรจะเดินไปเดินไปถ้ารอบแรกไม่พอก็เดินกลับมารอบสองพอคิดว่าหาหนพอก็กลับไป ก, ก็จบเท่านั้นเองนี่คือวิธีบินบาส ท, ที่ถูกต้องอันนี้เป็นการตกลงของญาติโยมไง้าโยมเขานิมนไงอันนี้เราไปตามนิมนได้เยอะ ตอนิมนต์ท่านมาถึงท่านมาถึงแล้วก็ช่วยกดกดช่วยกดกุมกดเก่งหน่อยเพราะเขาไม่รู้เขาไม่ได้ออกมานั่งเฝ้าดูก็อย่างนี้ก็เป็นการทำตามกิจนิมนต์ไดไม่เป็นไรคำถามต่อจากคุณแนนนี่ค่ะไม่มีโอกาสทำบุญตักบาตรแต่ใช้วิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาได้บุญเหมือนกันไหมเจ้าคะก็ได้เหมือนกันแต่นิสสังก็จะได้ต่างกันไปถ้าเราให้ ข้าวเวลาเราอดอยากขาดแคลนก็ก็จะมีคนมาให้ข้าวเราถ้าเราปล่อยาศาสตร์ปล่อยอะไรก็อาจจะมีใครมาช่วยชีวิตเราเวลาที่เราถูกจะถูกฆ่าหรือจะถูกกักขังอย่างนี้ก็จะมีคนมาช่วยเร า, างั้นเราทำอย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นกลับมาเป็นบุญแต่บุญต่างลักษณะกันทำอย่างใดก็จะได้อย่างนั้นกลับมาคำถามจากคุณใหม่ไก่มุก เนื่องจากวันนี้มีโอกาสพาพี่สาวและคุณพ่อมาฟังธรรมจากพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ช่วยแนะนําวิธีทําใจให้อยู่กับโรคภัยที่คุกคามของแต่ละคนด้วยเจ้าค่ะและวิธีสงบใจให้ร่มเย็นอก็พยายามมองคนคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยไปเยี่ยามคนที่โรงพยาบาลบ้างเราจะได้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นกับเราหรือคนที่เรารู้จักเท่านั้นมันเป็นกับทุกทุกคนเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเหมือนกับฝนตกแดดออกมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่มีใครไปห้ามมันได้แต่เราจะสามารถอยู่กับมันได้ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไม่เป็ น, นที่เราไม่สบายใจกันเพราะเรามีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกันแต่ถ้าเราเห็นว่าอยากไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงอยากมันก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีสู้อยากไปอยากมันดีกว่ายอมมันดีกว่า เหมือนเรายอมรับกับฝนฝนตกแดดออกได้เราก็าเลยไม่ทุกข์กับเวลาฝนตกไม่ทุกข์กับเวลาแดดออกเพราะเรารู้ว่าเราไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เราไปห้ามฝนไม่ได้ห้ามแดดไม่ได้จันใดเราก็ไปห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ทุกคนจะต้องเจอเหมือนกันทุกคนต้องเจอฝนตกแดดออกเหมือนกันใช่ไหมทุกคนก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกัน เราก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้ไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเรายอมรับเหมือนกับเรายอมรับผลตกแดดออกคาถามจากคุณอุบลรักค่ะเวลาทำบุญตักบาตรไม่ได้กรวดน้ำให้บิดามารดาที่ร่วงรับไปแล้วบิดามารดาจะได้รับบุญไหมคะถ้าเราอุทิศบุญโดยที่ไม่กรวดน้ำก็ได้แต่เราต้องอุทิศคือเราต้องกล่าวภายในใจว่าขออุทิศบุญนี้ให้กับ พวนั้นพวกนี้ที่ได้ร่วงลับไปแล้วส่วนน้ำนั้นจะมีหรือไม่มีไม่เป็นไรไม่สำคัญสำคัญที่น้ำใจเราต้องอุทิศน้ำใจคำถามจากคุณชิวหลินอยากทราบว่านรกสวรรค์ว่ามีจริงไหมเจ้าคะหรือเป็นแค่กุศโลบายให้เราเกรงกลัวต่อการทำบาปเฉยๆคนที่เชื่อในศาสนาพุทธก็เชื่อว่ามีจริงแล้วคนที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธเช่นศา ส, สนาคริส เขาเชื่อว่าสารภาพบาปแล้วล้างบาปได้สุดท้ายแล้วทุกคนทุกชนชาติศาสนาตายแล้วก็ต้องไปที่ใดที่หนึ่งคือสวรรค์และนรกเหมยเจ้าคะ่ะไม่แยกชาติไม่แยกสีผิวไม่แยกศาสนาไม่แยกประเทศเ อ, อ่าสวรรค์นรกนี้ไม่ไม่แยกไม่แยกศาสนามันเป็นเรื่องของจิตใจของทุกๆกคนไม่ว่าจะรับถือศาสนาไหนก็ตามเป็นชาติไหนก็ตามก็มีจิตใจเหมือนกันทุกคน แล้วถ้าทําบุญจิตใจก็จะเป็นสวรรค์ขึ้นมาเพราะคําว่าสวรรค์ก็คือความสุขใจนี่เองส่วนเวลาทําบาปก็จะเป็นนรกขึ้นมาเพราะเป็นความทุกข์ใจเวลาใจไม่มีร่างกายมันก็จะสุขใจไปกับบุญที่ทําไว้หรือมันก็จะทุกข์ใจไปกับบาปที่ทําไว้เวลาทุกข์ใจเราก็เรียกว่านารกหรืออบายเวลาสุขใจเราก็เรียกว่าสวรรค์เราสามารถดู ตัวอย่างของสวรรค์นรกได้ในขณะที่เรายังไม่ตายดูตอนไหนก็ดูตอนที่เราตายชั่วคราวไงตอนที่เรานอนหลับนะเวลาเรานอนหลับนี่ก็เหมือนตายชั่วคราวเพราะตอนนั้นเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายแต่เราไม่ได้ใช้ร่างกายแต่ใจเราก็ยังไปต่อใช่ไหมใจก็เราก็ไปฝันไงถ้าฝันดีเราก็เรียกว่าเรากําลังอยู่ในสวรรค์ฝันแล้วมีความสุขน ถ้าเราฝันร้ายก็แสดงว่าเราอยู่ในอบายแล้วเราอยู่ในนรกแล้วอันนี้เป็นหนังตัวอย่างเพราะว่าเวลาตายจริงมันก็จะเป็นอย่างที่เราฝันจริงๆถ้าเราฝันดีอยู่เรื่อยๆตายไปเราก็จะฝันดีก็เรียกว่าเราได้อยู่ในสวรรค์ถ้าเราฝันร้ายเวลาตายไป ar เราก็จะฝันร้ายเราก็จะไปอยู่อบายฝันร้ายแบบหิวโหยก็เป็นเปรตผิวละ ฝันร้ายด้วยความหวาดกลัวก็เป็นอสูรกายฝันร้ายด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นก็จะเป็นนรกไปเอาอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายจากคุณนนโกจังคะ่ะทุกๆวันลูกสวดมนต์ภาวนาทุกครั้งที่ลูกตั้งใจสวดมนต์ลูกจะง่วงนอนทุกครั้งแต่พอ ส, สวดเสร็จไม่ง่วงเลยจ้ะค่คะ <laughs> ลูกจะทำยังไงดีเพื่อไล่ความง่วง แล้วก็อย่านั่งสวดเดินสวดกันล้กันเดินจงกรมสวดไปเดินจงกรมหาที่เดินแล้วก็สวดไปถ้ามันง่วงถ้าไม่ง่วงก็นั่งสวดได้เพราะการสวดบนนี้มันเหมือนการกล่อมใจไงพอกล่อมใจถ้าเราสติเราอ่อนมันก็จะหลับแต่ถ้าสติเราแข็งมันก็จะสบงบดันั้นที่มันที่เราหลับเพราะว่าสติเรามีกําลังน้อยดังนัเราต้องฝึกสร้างสติให้มากมากก่อน ฝึกสร้างสติทั้งวันทั้งคืนก่อนที่เราจะมานั่งหรือมาสวดแล้วถ้าเรามีสติมากไปต่อไปเวลาเราสวดแล้วมันก็จะไม่ง่วงแต่จิตมันจะสงบแทนเอาแลวนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอน